สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักกรรไคนชอบเล่าก็ห่างหายไปนานครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับจริงๆแล้วช่วงนี้มันเหนื่อยครับพอได้อ่านคอมเมนต์จากท่านสมาชิกก็มีความรู้สึกขำๆขึ้นมาครับก็มีบ้างว่ามีแต่เรื่องเก่าๆอันที่จริงต้องตามด้วยว่ามีคลิปน้อยมากด้วยเพราะว่าผมได้ลบทิ้งไปตั้ง300กว่าคลิปแต่ก็แซงมันเถอะครับตอนนี้ผมถือกติที่ว่าเมื่อสบายใจที่จะทําก็จงทําต่อไป เอาละครับเรามาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันต่อดีกว่าครับผมว่าเนยๆอย่างนี้เราไปเข้าป่ากันดีกว่าครับไกด์นำทางของเราก็คือนายเดชกุลชอนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับสวัสดีครับผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการไปเที่ยวป่าของผมสมัยเมื่อหลายปีก่อนมาเล่าให้ฟังครับสมัยนั้นการขึ้นไปไหว้รอยพระพุทธบาทที่เขาขิจกูดใจังหวัดจันทบุรียังไม่ได้รับความนิยมมากนักผมกับเพื่อนอีกสี่คนมีพี่แดง1นึ่งวิทน พวกเราได้รวมกลุ่มเพื่อขึ้นไปกราบร้อยพระพุทธบาทที่ยอดเขาโดยมีพี่แดงเป็นหัวหน้ากลุ่มและการเดินทางขึ้นไปของพวกเราก็ถือว่าลําบากมากก็ด้วยว่าหนทางที่จะนําพาพวกเราขึ้นไปนั้นเป็นลูกรางตลอดเส้นแล้วก็ไอ้ตลอดเส้นนี้มันก็ไม่ถึงปลายทางซะด้วยเพราะว่าเมื่อสุดทางลูกรางเราก็จะต้องพากันเดินตัดป่าขึ้นไปไปจะให้ถึงยอดเขาพวกเราก็พากันเดินกระเตงกันไปทุลักทุเลพอสมควรเราพากันออกเดินทางจากตีนเขาตั้งแต่ตีสาม ว่าจะได้กราบรอยพระพุทธบาทกันก็ประมาณ5โมงเย็นแต่จะว่าไปขาขึ้นพวกเราก็มีความสุขในการเดินทางกันมากก็สนุกสนานกันดีเพราะว่าพวกเราได้เดินท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามอากาศก็ดีดีหมายถึงตอนดูงตะวันขึ้นนะเรียกว่าสดชื่นมากๆเราก็พักกันเดินคุยเล่นกันไปเรื่อยๆในยนักก็พักดื่มน้ามีลมเย็นพัดมาปรับร้ายให้พอหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางกันต่อ แล้เมื่อพวกเราพากันเดินไปจนถึงยอดเขาก็ได้พากันไปกราบรอยพระพุทธบาทกันแล้วเราก็ต่างพากันนั่งพกักคลายความไม่ล้ากันแล้วก็ประชุมปรึกษากันต่อว่าเราจะไปไหนต่อกันดีเด้อเราลงอีกทางหนึงแล้วก็เลยไปพักกันที่น้ําตกนะเขาเรียกว่าน้ําตกช้างเซที่นั่นน่าพักมากเดินไปไกลเท่าไรน่าจะทันก่อนมืดนอนที่นั่นกันสักคืนแล้วเช้าค่อยเดินลงพี่แดงว่าเราทุกคนมองหน้ากันเห็นด้วยกับพี่แดง แต่ก็ยังไม่ไว้ชันหนึ่งซึ่งมีนิสัยออกจะหำหำก็เอ่ยปากออกมาว่าพี่แดงขนาดช้างยังเซแล้วเราจะไหวหรือพี่ผู้จบมันก็ร้องออกมาเสียงดังเฮ้ยมาเที่ยวป่าแบบนี้อย่าพูดเล่นๆแบบไม่เคารพสถานที่เดี๋ยวกระโดนดีกระดกมึงพี่แดงหันมาดูพอเราทุกคนพักกันจนหายเหนื่อยแล้วก็ผ่ากระดกเดินทางต่อก็ผากันเดินตามท่านหัวหน้านั่นก็คือพี่แดงพี่แดงเลี้ยวไหนเราเลี้ยวด้วยแน่นอนเพราะเราไม่รู้ทางพี่แดงก็เดินนําชมนกชมไม้กันไป ดวงตะวันก็คล้อยต่ำลงเรื่อยๆแล้วพอพักที่ใหญ่พวกเราก็พา ก, กันเดิน ม, มาถึงน้าตกจนได้พอถึงพวกเราก็เริ่มมองหาทําเลเพื่อสร้างที่พักกันเราสร้างที่พักกันโดยกางเต็นท์เพืใบผืนใหญ่ที่เรานําติดตัวมาด้วยปูผื้นรองนอนด้วยผ้าใบอีกผืนหนึ่งไม่จัดแจงที่พักกันเรียบร้อยเราก็เริ่มก่อไฟทําอาหารกันซึ่งก็คือเมนูอาหารยอดนิยมนั่นเองอันได้แก่พวกมะหมา่มาปลากระป๋องหมูแดดเดียวน้าพริกนรกส่วนพวกผักไม่ยากหาเอาแถวนั้น แต่๋ยวคนที่รับหน้าที่ออกไปหาก็คือเจนอนกับเจ้าหนึ่งเมื่อวัตถุดิบพร้อมการปรุงจึงเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ตามด้วยการกินหรือการรับประทานอาหารมื้อนี้ที่เสร็จลงไปเป็นมื้อที่อร่อยมากๆอาจจะเพราะบรรยากาศและก็ความเดหนื่อของพวกเราและหลังอาหารกับบรรยากาศที่เย็นสบายพอเข้าเริ่มย่อยพี่แดงก็หยิบเหล้าที่แกพบขึ้นมาแบ่งกันดื่มทําให้การสนทนาคุยกันของพวกเราหลังอาหารออกรสชาติมากขึ้นทั้งกองไฟที่ก่อทั้งเต็นท์ที่ตั้งถึงบรรยากาศรอบกายมันได้ฟิลจริงๆ แล้วเมื่อเดื่มกันไปได้สักพักหนึ่งอาการตึงพรลิศเล่าก็เกิดขึ้นเล้าของพี่แดงกรแรงจริงๆเขออญญ า, อ, นะาอนุญาตไม่บอกยี่ห้อนะไม่มีใบอนุญาตเมื่ออาการตึงเกิดขึ้นแก่พวกเราเจ้าหนึ่งเจ้าเดิมก็พูดขึ้นมาว่าพี่แดงครับมาเที่ยวกันครั้งนี้นะ่ะไม่มีเหตุการณ์อะไร ต, ต, ต, ต, ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยบรรยากาศก็ดีนะแต่ไม่มีเรื่องตื่นเต้นเรื่องอะไรล่ะพี่แดงมองหน้าสวนท่านควัญก็แบบว่าเจอนางไม้ ส, สวยๆไงพี่ไอเจ้า ห, หนึ่งว่าเราทุกคนตกใจและหันไปจ้องหน้าเจ้าหนึ่งทันที ไอ้นี่ปากนีจริงๆเด็กกระโดนดีจนได้พอสิ้นเสียงพี่แดง <S <S <S <S ทุกคนสะดุ้งสุดตัวเสิ่งหมาหอนแทรกขึ้นมามาจากไหนแถวนี้มีมาด้วยเหรอเราทุกคนพร้อมเพรียงมองหน้าพี่แดงด้วยสีหน้าตื่นตะนกพี่แดงมีสีหน้าครุ่นคิดเอาแล้วไงเพราะปากอย่างเองนะอีหนึ่ง พอพูดเสร็จพี่แดงก็เอาทูบออกมาให้ทุกคนจุดแล้วแกก็นําพวกเราพูดบอกเล่าเจ้าป่าเจ้าเขาขอขมาที่ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการระหว่างนั้นสิงหมาก็ยังแว่วหอนมาแต่ไกลเมื่อคําขอขมาจบลงจากนั้นพี่แดงก็รวบรวมทูบจากพวกเราไปปักไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นโคนไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเสียงชุนหลอนเงียบลงหายไปเลยเรามองหน้ากันแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเรามานั่งดื่มกันต่ออีกพักนึง พเราทุกคนเริ่มเมาต่างก็แยกย้ายพากันเข้านอนตามที่พักของตนเองโดยไม่ลืมเช็คของฟืนกองไฟและด้วยความเพลียจากการเดินทางกับอาหารที่อิ่มและแอลกอฮอล์ที่ปรมิมาณเหมาะสมทําให้ผมพล่อยหลับไปอย่างง่ายดายผมหลับไปสักพักหนึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนมาสกิดที่มือผมก็โ ง, งัเงียลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันมองไปทางที่มีคนมาสกิดผมปรากฏว่าเป็นเจ้าวิทกับเจ้านนเฮ้ย hey, มีอะไรหลุดทาไมผมถามพวกมัน เจ้าหนุนก็บอกว่าเมื่อกี้ฝันไม่ดีฝันว่ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมายืนเรียกในฝันว่าให้ข้ามไปหาฝั่งตรงข้ามกับที่พวกเรานอนและเจะาสงคนก็อธิบายเกี่ยวกับผู้หญิงได้เห็นในฝันว่าเป็นผู้หญิงสาวที่สวยมากแต่งชุดไทยหมสบเฉียงสีม่วงนุ่งโจงกระเบนเขียวพอผมฟังเสร็จผมก็บอกกับพวกมันว่าเออเฮ้ยแปลกดีว่าพวกเองน่าจะเหนื่อยมากไปก็เลยฝันกันเป็นตุ่เป็นตานะาไอ้สองคนมองหน้ากันและหันมาบอกกับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันฝันเหมือนกันทั้งสองคนเลย เออใช่ผมคิดจริงแดงมันพูดผมก็เลยบอกว่าไปปลุกพี่แดงกับไอ้หนึ่งดีไหมแล้วก็หันมองไปทางชวน้นหซึ่งนอนถัดจากผมเจ้สองคนนั่นก็บอกกับผมว่าไม่ต้องรอกพี่แดงกับไอ้หนึ่งนอนหลับสบายไปแล้วงั้นพวกเองก็ไปนอนกันเถอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วผมแนะนํามันทั้งสองคนพูดเสร็จผมก็นอนต่อเลยผมนอนหลับไปนานเท่าไรไม่รู้หลับลึกถือว่าหลับสบายมากแล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นการนอนที่นานมากด้วยแล้วจู่ๆผมก็ต้องภาวะตื่นขึ้นมา เพราะผมรู้สึกตัวเหมือนว่ามีใครมายืนมองอยู่ตรงปลายเท้าผมก็ค่อยหลีตามองขึ้นดูผมก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ด้านนอกของเต็นท์ที่พักผมกค่อยๆเพ่งมองก็เห็นว่าผู้หญิงนางนี้ที่ผมเห็นเธอแต่งสบายสีม่วงนุ่งโจงกระเบนสีเขียวช่วงระหว่างที่ผมเหมือนกระตกอยู่ในผวังนั้นผมก็เลยถามออกไปว่าต้องการอะไรเธอผู้นั้นไม่ได้ตอบอะไรแทนคำตอบก็คือเธอเดินเข้ามาเธอเดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แล้วก็หยุด ยืนอยู่ห่างจากเต็นประมาณ2เมตรได้แล้วเธอก็ถอยออกไปเมื่อได้ระยะเธอก็เดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกแล้วก็หยุดอีกเธอเดินวนไปเวียนมาหลายรอบมากแต่ก็ไม่เข้ามาใกล้กว่านั้นต้องการอะไรนะ่ะถามเธอไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเธอไม่ยอมตอบได้แต่พยายามจะเดินเข้ามาแต่เหมือนกับว่าเธอเดินเข้ามาได้แค่นั้นแล้วจู่ๆอาการหนาวเย็นก็เกิดขึ้นทำไมรู้สึกช้ายอย่างนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้สติตื่นขึ้นเต็มตัว รู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ใช่คนแน่นอนผมก็เลยแข็งใจบอกไปว่าขออภัยด้วยนะครับเพื่อผมแค่มาเที่ยวกันไม่ได้คิดบลบลูจากนั้นผมก็หลับตาสวดมนต์แผ่เมตตาให้เธอไปพอแผ่เมตตาเสร็จลืมตาขึ้นเธอคนนั้นก็หายไปแล้วแต่จากสิ่งที่เจอทำให้ผมไม่สามารถนอนหลับต่อไปได้ผมจึงเดินออกมาสมไฟที่ก่อไว้ให้สว่างขึ้นและระหว่างนั้นเองออกไปออกไป เสียงตะคอกลั่นก็ดังขึ้นผมก็ลุกทั้งตัวเป็นเสียงตะคอกฉุนห ล, ลอนที่ไม่รู้ที่ไปที่มาผมไม่ได้ได้ยินคนเดียวเสียงนั้นดังจนพี่แดงกับเจนนนและชีวิตตกใจสะดุ้งตงื่นขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกันนั้นก็มีอีกสิ่งหนึ่งดังขึ้นออกไปออกไปอย่ามายุ่งกับกูเป็นเสียงของเจ้าหนึ่งนั่นเองซึ่งตอนนี้มันกำลังนอนหลับตาปากก็ตะโกนว่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูออกไปพอทั้ง3คนที่ตื่นขึ้นมาเห็นเข้าก็รีบก็ไปหาเจ้าหนึ่งพีี่่่่่แแดงงงงรรบเเขขยยาาตตั ว, ตวจ้้้หหนนนึึออพืืใ การกระทำของพี่แดงและอีกสองคนที่ช่วยกันปลุกก็ไม่มีผลอะไรเลยเจ้าหนึ่งยังคงหลับตามีท่าทีเพเผลอด้วยความหวาดกลัวทั้งตะโกนเรียกทั้งเขย่าตัวยังไงมันก็ไม่ตื่นพอเห็นแบบนั้นผมก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหนึ่งอีกคนและเมื่อผมเอื้อมมือไปเขย่าแขนมันหนตื่นไว้หนตื่นปรากฏว่าเจ้าหนึ่งตื่นลืมตาขึ้นมามันทำตาลอกแรกมีอาการหวาดผวามันหันสายแลกขวามองดูรอบกายอย่างหวาดระแวงกลัวแล้วกลัวแล้วไม่กล้าทำอีกแล้วพวกเราช่วยกัันนนพูดปลอบใให้มจเย็ เราก็ช่วยพี่แดงทําการปฐมพยาบาลเอาผ้าไปชุบน้ํามาเช็ดหน้าเช็ดตาและสักพักเราก็ได้ยินเสียงไก่ป่าขันขึ้นและแสงแดดอ่อนๆก็ตามมาอาการเจ้าหนึ่งก็ดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ดูยังคงมีท่าทางหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่บวกกับตอนนี้เจ้าหนึ่งผู้ปากดีเป็นไข้ซะแล้วพี่แดงเห็นท่าไม่ดีจึงบอกให้พวกเราเรีบเดินทางกลับกันเถอะพื่จะได้รีบพาเจ้าหนึ่งไปหาหมอพวกเราเห็นดีกันตามนั้นเราเรีบเก็บข้าของกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกัน เรามุ่งตรงเดินทางกลับไปที่รถเราที่จอดไว้ในที่ทําการป่าไม้ซึ่งห่างไปประมาณ10กิโลเมตรระหว่างที่พากันเดินกลับออกมาเจ้หนึ่งไม่พูดอะไรเลยเอาแต่เดินแล้วก็มองแบบหวัดกลัวไป ร, บรอบๆตัวไม่ว่าพวกเราจะพยายามถามมันว่าเจอกับอะไรหรือฝันอะไรมันก็ไม่ตอบไม่บอกพวกเราและเมื่อพวกเราเดินกลับมาถึงรถทริปการเดินป่า ก, ก็จบลงเราพาเจ้หนึ่งไปหาหมอเมอตรวจตัวอาการเรียบร้อยหายห่วงจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน จนกระทาั่งสงสาวันผ่านไปผมแวะไปหาเจ้าหนึ่งก็เจอเจ้าหนอนกับเจวิตที่บ้านของเจ้าหนึ่งด้วยเจ้าหนึ่งดูดีขึ้นมีอาการดีขึ้นจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นให้พวกเราฟังและนี่ก็คือเนื้อความมันเล่าว่าวันนั้นมันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคนเดียวกันกับที่ผมเห็นนั่นแหละเธอมาเรียกมันและมันก็เดินตามเธอไปมันว่ามันเดินตามเธอไปเรื่อยๆแต่พักหนึ่งเธอก็หายไปไม่ว่าจะพยายามมองหา ย, ยังไงก็ไม่เจอเมื่อมองหาไม่เห็น มันก็พยายามเดินกลับมาที่เต็นท์แต่ถ้ว่าหาทางกลับไม่เจอยิ่งเดินก็ยิ่งงงเดินวกไปเวียนมาจนเหนื่อยล้ามันจึงได้นั่งลงแล้วพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็กลับมามันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวเธอมาพร้อมกับเสือตัวใหญ่ด้วยพอเห็นปุ๊บมันก็ตะึงทันทีและยังไม่ทันที่มันจะตั้งตัวเจ้าเสือตัวใหญ่ก็กระโจนเข้ามากัดมันทั้งตะปกทั้งเวียงมันไปมามันกลัวมากจนหนึ่งคิดว่ามันต้องตายแน่ ระหว่างที่มันหมดความหวังทอดอะไรตายยากอยู่นั้นพลันมันก็เห็นสายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วมันก็ได้สติลืมตาขึ้นมาก็ได้เจอกับพวกผมนั่นแหละที่นั่งล้อมและพจิยามปลุกมันอยู่แล้วมันก็ถามผมว่าทําไมผมไม่ฝันหน้าโกรธแบบมันบ้างผมก็เลยเล่าเรื่องที่ผมเจอเธอให้มันฟังแล้วก็บอกว่าก่อนที่เธอคนนั้นจะหายไปผมยังได้ยินเสียงเธอบอกว่ามีของดีติดตัวเหมือนกันนะฉันแค่มาสั่งสอนคนที่ลบหลู่ดูหมิ่นฉันแค่นั้นพอเพื่อนผมได้ฟังก็ถามว่าของดีอะไร วันนั้นผมพกมีดหมอของหลวงพ่อจ้อยนครสวรรค์ที่ท่านมอบให้มาไปด้วยและก่อนเข้านอนผมก็นํามีดหมอของหลวงพ่อไปขีดเป็นวงกลม ร, บรอบๆเต็นที่พักตามที่หลวงพ่อท่านแนะนําว่าเวลาเข้าไปนอนในป่าให้ขีดไว้รอบที่พักเพื่อป้องกันสัตว์ป่าหรือสิ่งไม่ดีทั้งหลายและตอนที่ผมไปเขย่าแขนปลุกเจหนึ่งอยู่นั้นอีกมือนึงผมก็ถือมีดหมออยู่ด้วยผมคิดว่าคงเป็นเพราะอํานาจพุทธคุณของมีดช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้เจ้าหนึ่งมันจึงได้สติฟื้นขึ้นมา หลังเช็นั้ น, น, นผมก็ชวนเจ้าหนึ่งกับเพื่อนทั้งสงคนให้ไปทําบุญให้ผู้หญิงคนนั้นและต่อมาเจ้าหนึ่งก็อาการดีขึ้นโดยลําดับครับผมก็ขอจบลงกันนะครับคลิปนี้เพราะว่าหูดัง้งเอ้ยจมูกมันตันแล้วก็ขออภัยด้วยครับที่อู่อีขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารงชีวิต